อีกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันมหาวิหารตอนนั้นพระก็ต่างองค์ก็ต่างทํานูน่นทํานี่บางองค์ก็พิญากรรมาฐานภารุกก ร, รมมาฐานบางองค์ก็ทํานั่นทํานี่พระพุทธเจ้าก็เลยเรียกเรียกพระดูกอนภิกษุทั้งหลายนะเรียกคือเรียกความสนใจดึงดูดความสนใจว่านี่ พระองค์จะพูดอะไรแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นไซก็ให้ฉลาดในวาระจิตของตนพูดง่ายๆว่าให้มาดูจิตตัวเองอย่าไปดูคนอื่นคนเรามัน มันไม่ใช่จะไปฉลาดในเรื่องการดูจิตคนอื่นดูเขาทำอะไรเขาเป็นยังไงเขาคิดยังไงเขามีความเห็นยังไงเขาดียังไงเขาเลวยังไงอันนั้นก็ดูไปตามธรรมดานี่แหละแต่ไม่ใช่พาไปใส่ใจมันมากแต่ให้มาฉลาดในวาระจิตของตนก็คือให้มาทำความเข้าใจ เรื่องราวที่มันอยู่ในจิตใจของเราเรื่องราวที่มันอยู่ในจิตใจของเราเนี่ย<ม>พระองค์ก็บอกว่าให้มาดูสิจิตของเราเนี่ยมันมีไอความอยากความต้องการในเรื่องต่างๆเนี่ยอยู่มากหรือว่ามันไม่มากมันอยู่มากหรือมันน้อยก็คือละนิวร น, นั่นแหละการมาคุณอารมณ์ทั้งหลายลูกรดกลิ่นเสียงสัมผัส อยากได้นั่นอยากได้นี่ท่านว่าจิตของเรามีอภิชามากหรือว่ามีอภิชาน้อยให้มาฉลาดอย่างนี้ท่านว่าแล้วก็ให้ฉลาดว่าจิตเราเนี่ยมีความพยาบาทมีอยู่หรือไม่มีก็ไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้มัน มีได้นะมันก็มีก็ให้รู้ว่ามันมีมากก็ให้รู้ว่ามีมากมีน้อยก็รู้ว่ามีน้อยความหมายมันมีความเศร้าหมองหรือว่าไม่มีมีความกโกรธอยู่หรือว่าไม่มีมีความง่วงซึมเศร้าอยู่หรือว่าไม่มีเนะ่ก็ต้องให้รู้ด้วยนะไอความซึมเศร้านี่พูดบ่อย มันก็เป็นนิวนรณ์ชนิดหนึ่งเขาเรียกทีนะมิท่านนิวรณ์มันก็คืออยู่ในหมวดนิวร์ห้าละพยาปะทานิวรณ์ความพยาบาทความโกรธมีความเศร้าหมองมากหรือเศร้าหมองน้อยมีความเศร้าหมองอยู่ไหมเนี่ให้ไปดูมีความสงสัยหรือว่าก้าวพ้นความสงสัยไปแล้วสงสัยก็รู้ว่าสงสัย แต่บางอย่างสงสัยแล้วมันไม่หายถ้าหาว่าไม่รู้แล้วปัญญามันไม่เกิดมันไม่สามารถทำให้จิตเราเนี่ยปฏิบัติต่อไปได้เอออย่างนี้ก็ต้องถามโพลุสอบถามทำความเข้าใจหรือว่าศึกษาทำความเข้าใจมันรู้แล้วมันคลายออกเราเป็นผู้ขี้เกียจ ขี้คลาดหรือว่าเป็นผู้มีความเปลี่ยนอยู่ขี้เกียจก็ต้องได้รู้ด้วยนะว่าเราในขี้เกียจก็ต้องพยายามแก้ไขให้มันขยนันแม้แต่ร่างกายท่านก็ให้ดูนะว่าร่างกายเนี่ยมันบีบคั้นมากหรือน้อยมันมีความต้องการทางกายแรงกล้า หรือว่ามันไม่มีร่างกายมันก็มีผลนะรูปมันก็มีผลต่อนามกายก็มีผลต่อจิตเวทนาทางกายมันก็มีบางทีร่างกายมันรุนแรงขึ้นมามันก็มีผลต่อจิตใจก็ต้องให้รู้นะจิตใจตั้งมั่นหรือว่าไม่ตั้งมั่นเนี่ยสุดท้ายให้รู้ว่ามันตั้งมั่นหรือมันไม่ตั้งมั่นจิตเนี่ย เมื่อเห็นวาลจิตแล้วเห็นความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจแล้วท่านว่าให้ปลาลุกให้พอใจพอใจที่จะทาความเพียรแล้วก็ปลาุก ค, ความเพียรให้ยิ่งก็ให้ยิ่งขึ้นให้มีความอดทนมีความอุตสาหาพยายามเพื่อให้กุศลธรรมเจริญขึ้นนี่ก็คือมีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้น ท่านอุปมามว่าเหมือนกับไฟเนี่ยมันไม่สีสับไฟกําลังไหมลุกไหมอยู่ในตัวเราต้องเพียรที่จะดับไฟพยายามอุตสาหะยังไงต้องดับให้มันได้เพราะไฟกําลังลุกไหมอยู่ในศีรษะเราอุปมาแบบนี้นั่นก็คือว่าในจิตเรามันมีทุกขมีไฟที่แผดเผาอยู่ในใจเรา ก็ต้องเพียรอุตสาหะพยายามอดทนตั้งใจพอใจที่จะปฏิบัติเนี่ยคือปลบความเพียรมีประมาณยิ่งหือให้ยิ่งขึ้นให้มากๆเพื่อจะดับไฟในใจเรานี่ถ้าหนูประมาณเหมือนไฟเลยนะเหมือนไฟกำลังลุกไหม้หัวสีสะเห็นเราจะทำยังไงก็ต้องดับ คราวนี้มันไฟมันไม่ใจมันแผลเผาใจมันลุ่มเล้าจิตใจก็ต้องเพียรอุชาพยายามที่จะดับไฟในจิตใจของเราให้ได้เพื่อให้กุศลธรรมเจริญสรุปแล้วก็คือว่าแม้ว่าสิ่งที่มันไม่ดีเกิดขึ้นในจิตเราเนี่ยมันก็ยังเป็นช่องทางที่จะทำให้กุศลธรรมนี้เจริญขึ้น คือเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นตัวเราถ้าพยายามที่จะมีสติสัมปชัญญะเพราะมันเป็นมันก็เป็นที่ตั้งของสติได้เราก็เอาสติเข้าไปดูมันพอสติเข้าไปดูมันสติเราก็มีขึ้นมาสัมปชัญญะก็มีขึ้นมาเพราะมันเข้าใจเห็นแล้วก็เกิดความเข้าใจ ผู้ดูถ้าหาว่าผู้ดูสติมีกําลังมันก็ผู้ดูเนี่ยมันจะดูได้เราก็จะเป็นผู้ดูไปสัมปชัญญะก็จะค่อยรู้เห็นมันรู้มันแล้วจิตใจเนี่ยมันก็คลายออกเองเพราะมันมันมันรู้ด้วยตัวจิตเห็นด้วยจิตว่าธรรมชาติพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นแค่ธรรมชาติอันหนึ่ง มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราโกรธมันก็ไม่ใช่เราเพราะมันเกิดและมันกระดับของมันเองมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับเรารู้เท่าทันมันมีสติมีปัญญาขึ้นมามันก็ดับได้อย่างเรามาอยู่วัดเนี่ยมันอารมณ์ที่จะรบกวนมันก็น้อยมันก็มีบ้างเออความกังวลความฟุ้งซ่านก็มีบ้างทันว่าฟุ้งซ่าน มากหรือฟุ้งซ่านน้อยก็ให้รู้เนี่ยสรุปแล้วก็คือมาฉลาดในการตามดูจิตของเรานี่ยละอันนี้เลยว่ามีสติสัมปชัญญะก็ต้องฝึกไปจกนกระทั่งมันตั้งมัน่นสุดท้ายต้องรู้ว่ามันตั้งมัน่นหรือว่าไม่ตั้งมั่นเนี่ยตั้งมั่นแล้วมันก็จะเป็นทำให้เกิดปัญญาขึ้นมา เป็นบาดฐานเป็นฐานของปัญญาที่เราฝึกมาทั้งหมดไม่ได้เอาอะไรเลยนะเพื่อให้มีปัญญารู้ความจริงรู้ความจริงแล้วก็ไม่ใช่เอาอะไรอีกปัญญาก็ไม่เอาเพื่อให้จิตเราเนี่ยปล่อยวางได้คลายวางได้เพื่อให้จิตเราหลุดพ้นไปเช่ไหมสรุปแล้วไม่เอาอะไรเลยจิตหลุดพ้นไปมันก็ไม่เอาอะไรเลยเอาแต่ว่าจิตไม่ยึดมั่นถือมัน่น ทีนี้เอาแบบไม่มีทุกข์สงวรเอาก็เอามีปัญญารอบครอบลอบรู้เนี่ยมันความทุกข์มันดับได้อย่างนี้ผลที่เราจเจริญมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องการชื่อเสียงเกียรติยศต้องการการยอมรับต้องการบริษัทบริวารต้องการคนชื่นชมยินดียกย่องสรรเสริญไม่ใช่ถ้ามันมันมันมันไปอยากอย่างนี้ผิด เป็นความหลงแทรกเข้ามามีทิฏฐิมานะตามมาอยากใหญ่อยากโตอยากเด่นอยากดังอยากเป็นที่ยอมรับกลายเป็นความโอ้อวดไปเราเก่งเราดีหนุนแทรกเข้ามาหมดเลยนะต้องเข้าไปเห็นมันหมดละ่ะนี่แหละให้ฉลาดในวารจิตของตนอย่างนี้เห็นมันว่ามันเป็นธรรมชาติว่ามันเกิดมันดับว่ามันไม่ใช่เราเราจะเอามาเป็นเราไม่ได้ ถ้าเอาเป็นเราเมื่อไหร่เราเป็นทุกข์เมื่อนั้นเป็นอันตรายเมื่อนั้นเนี่ยมันก็จะละเอียดเข้าไปเรื่อยๆในจิตของเราจนใจทจใั้งมันนี่จิตเนี่ยตั้งมั่นแต่สุดท้ายต้องไปหาสม า, สมาธิคือความตั้งมั่นของใจเมือ่อปุสสรธรรมมันจเจริญขึ้นก็คือมีสติสัมปชัญญะจิตใจตั้งมัน่นมีปัญญาเห็นความจริง รู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยมันก็คลายออกถ้าถ้าหากว่าอินทรีย์มันแก่กล้ามันก็อริยมรรคสมบูรณ์มันก็ประหารกิเลสได้เนี่ยนี่คือทางของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เพราะพระพุท้ยิ่งย้ำกับพระด้วยกับผู้ฟังนั่นแหละเพราะท่านเรียกภิกษุเรียกพระส่วนใหญ่ท่านก็อยู่วัดมันก็มีพระผลประสูตร เนี่ยมันมันเกิดกับพระพูดกับพระแต่ว่าผู้ฟังก็เอามาทําประโยชน์ได้เอามาใช้ประโยชน์ได้ให้ไม่ฉลาดในวลาจิตของตนก็ให้ฉลาดาไม่ฉลาดในวลาจิตของผู้อื่นก็ให้ฉลาดในวลาจิตของตนเพราะว่าจิตเนี่ยมันอยู่กับเรา้จิตเราเนี่ยเราจะไปดูจิตของคนอื่นเนี่ยมันมันเสียเวลา ไม่ดูมันก็เห็นเป็นเป็นพฤติกรรมอะไรต่ออะไรมันก็ออกมาจากจิตใจนั่นแหละมัน ก, ออ ก, ก, มออก็ออกมาจากมาออกมาจากมุมมองภายในจิตของแต่ละคนนั่นเราเห็นรู้แล้วก็มาดูจิตเรามันเป็นยังไงมีผลยังไงต่อจิตของเรานีนน่สุดท้ายเขามาดูจิต มีความอยากมากอยากน้อยเื่อกรรมราคาแล้วแหละยินดีในรูปรถกินเสียงสัมผัสมากน้อยแค่ไห น, นก็ให้รู้มันมีความพยาบาทอยู่ไหมไมาอยู่วัดแล้วมันติดมาไหมเนี่ยคนนั้นคนนี้เคยว่าเรามันยังมีไหมถ้ามันไม่มีก็รู้ให้รู้มัน ว่ามันดับไปแล้วหมดไปแล้วความโกรธยังมีอยู่หรือหนอนะก็ให้ดูเข้าไปที่จิตเรานี่ล่ะหุนเครื่องทิ้งก็จะมีรายละเอียดไปเรื่อยๆทีนี่อันนี้ท่านพูดท่านก็พูดไอ้ไอ้หมดใหญ่ใหญ่มันฟุ้งซ่านหรือว่าไม่ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านไปมันก็จะมีความเดือดร้อน รุมร้อนภายในจิตใจขึ้นมามันไปเป็นมันฟุ้งไปในเรื่องราวที่มันเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจมันก็ทําให้ใจลุมร้อนใจเศร้าหมองก็รู้ว่าเศร้าหมองมันไม่มีกรม็รู้ว่าไม่มีนี่มัก็เปรียบเทียบไปเออเศร้าหมองก็กังวลมีไหมวันไว้มีไหมนี่เคยไปบางแห่งนะ เราไปใหม่ๆเนี่ยมันก็กันบนบงวลบ้างเหมือนกันนะเราจะทำอะไรเขาทำอันนี้เราทำอะไรยังไงเนี่ยแต่ทีนี้เราไปเพื่อศึกษาโ่้เรากำลังศึกษาอยู่แล้วเนี่ยวันแรกๆก็ดูไปก่อ น, นพอดูต่อมาก็เกิดความเข้าใจเออมันมีอะไรในนี้บ้างทีนี้เราก็จะมีมีล็อกของเรานะทีนี้เราถนัดอะไรทำแล้วใจเรามันจเจริญขึ้นมันเป็นประโยชน์ เราก็เลือกกิจกรรมที่มันเหมาะสมกับเรามันไม่จะเป็นต้องไปทําเหมือนกันหมดก็แบ่งออกมาทํามันก็ดีเพราะคนไหนถนัดตรงไหนก็ทําอันนั้นมันก็เหมือนครั้งพระพุทธเจ้าใครถนัดอันไหนก็ทําอันนั้นเนี่ยมันจึงมียกย่องกันว่าเออคนเนี้ยอิแตกะด้านนั้นด้านนี้เห้ยวก็ทาอันนั้นทาไปไม่เอามาข่มกัน ไม่เอามาแข่งขันกันไม่อิจฉาลิสยากันมันก็ง่ายมันก็สบายมันก็รู้มันก็เข้าใจกันสมควรช่วยกันก็มีบางทีมันก็ช่วยกันไปจึงว่ามันเหมือนครอบครัววัดเนี่บางทีมันก็เหมือนครอบครัวช่วยกันดูช่วยกันแล่ช่วยกันปฏิบัติต่างคนต่างปฏิบัติต่างคนต่างช่วยกันดูช่วยกันแล่อย่างนี้เบากายเบาใจงานหนักก็เป็นงานเบางานเบาเบาเล็กๆน้อยน้อยก็ เหมือนไม่มีงานไม่มีการอย่างนั้นแหละมันก็สบายใจด้วยสำคัญคือใจใจสบายแล้วเอถูกต้องเพราะใจสบายแล้วมันมันสงบมันสงบง่ายมันมีความสุขแล้วเป็นสมาธิง่ายเป็นสมาธิใจก็ตั้งมั่นง่ายถ้าวิพากษ์บวกร่องเราก็รู้แนละ้วพร้อมจะแก้ไข เหมือนที่ท่านว่าเกียรขคานก็รู้ว่ามันเกียรขคานหรือมีความเพียนก็ให้รู้ <c oughs> แต่ถ้าเกียรขคานนี่ต้องแก้ไขนะมันก็มีต้องให้รู้ซะก่อนให้เห็นซะก่อนอย่ารู้เห็นเนี่ยเกี่ยวกับตัวเองทางนั้นเลยนะที่พระเจ้าสอนเนี่ยสเสมอสอนมาดูตัวเองนี่ตัวเองเนี่ยมันก็มาจากจิตก่อนพอร่างกายเนี่ยไม่รู้เรื่องจิตเนี่ยมันรู้ จิตเนี่ยเป็นตัวการใหญ่เพราะเราก็ต้องมาฉลาดในวาระจิตของตัวเองตามดูจิตเนี่ยไม่ให่ให้มากังวลว่าไอ้ทําไมเราคิดอย่างนี้ทําไมเราเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะให้ดูท่านว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามวูว่าว่ากดูให้รู้มาให่วูว่าบบมาก็กลัวกังวลมีอะไรมาก็ไปว่าเป็นเราเป็นตัวเราไม่ใช่ ให้ดูเฉยๆดูมันเฉยๆเนี่ยแล้วก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่มันก็ได้ปัญญาขึ้นมาจิตเราก็สบายใหเลยนี่เนี่ยทีนี้พอมันละเอียดเข้ามัน้องย่างเข้าไปหาจิตอยู่เรื่อยๆมันเข้าหาจิตได้มากเท่าไหร่เนี่ยเราจะรู้สึกสบายมากขึ้นเท่านั้นพราะนักบเจ้าองสอนเข้าหาจิตนะแต่ว่ามีความเพียรอาตาปีสัมปชาโนสติมามีสติสัมปชัญญะ เดียวโลกเกียพิชาโทมัสสังละความยินดีร้ายในโลกนี้เสียให้ได้ก็คือไม่ให้จิตของเราเนี่ยมีความยินดีร้ายนั่นต่อมาพอมันรู้มันเห็นพวกสิ่งเหล่านี้มันดับไปหมดไปมันก็ใจเราก็ไม่หลงยินดีินร้ายกับอะไรนะคาว่าอาตาปีแต่ามาเพียนแผ่เผากิเลสให้เราร้อนด้วยคือบางทีบางอย่างที่มันเป็นความอยากความต้องการที่มันเกินความจําเป็นมันเป็นบ่อกเกิด ของความอยากที่รุนแรงขึ้นต้องยับยั้งมันเอาชนะมันนี่นี่แคือเผากิเลสให้เราร้อนพะกิเลสมันยังรุนแรงอยู่ความอยากความต้องการยังรุนแรงอยู่เราก็ต้องให้มันอยู่เหนือมันซะก่อนต่อไปมันอ่อนกําลังลงเราอยู่เหนือมันจะเอาก็ได้เอาแล้วมันก็ไม่เป็นคาศึกศัตรูกับเราเอาแล้วเอาด้วยสติปัญญารู้ว่ามันพอดีมันควรเอาแล้วสบาย ใครว่ายัางไงก็ไม่ไปทุกเพราะเรารู้เราเข้าใจมันแล้วจึงมาให้ฉลาดในวาระจิตของตนมันเป็นยังไงท่านว่ามีอภิชามากหรืออภิชาน้อยอภิชาก็คือความอยากนั่นแหละเพ่งเล็งอยากได้ของเขาเขาได้อะไรก็อยากได้ด้วยมีพยาบาท อยู่หรือว่าไม่มีมีความลังเลสงสัยอยู่หรือว่าไม่มีนะหรือพ้นไปแล้วหมดไปแล้วมีความง่วงหงงซึมเศร้าอยู่ไหมหรือว่าไม่มีเศร้าหมองหรือว่าไม่เศร้าหมองเกลียดข้านหรือว่าขยันมีความเพียร ฟุ้งซ่านหรือว่าไม่ฟุง้งซ่านกายมีความปรารถนาแรงกล้าหรือว่าไม่มีความต้องการทางกายมันก็รุนแรงนะบางทีวิชาทางกายรุนแรงก็มีผลนก็ให้รู้นะดูเข้าไปเห็นมันให้รู้ว่าเป็นเรื่องร่างกาย มันมีผลต่อจิตเศร้าหมองหรือว่าไม่เศร้าหมองตั้งมันหรือไม่ตั้งมันดูมีอะไรบ้างมีเรื่องราวอะไรเนี่ก็คือเข้ามาดูจิตเสร็จแล้วดีบางดูงบางทีดูจิตเนี่ยดูไปดู ม, มันซึมไปที่นี่เอาคราวนี้ลองดูให้มันกว้างขึ้น นี่ยมันก็ต้องมีวิธีแก้ไขด้วยนะบางทีจ้องดูจิตจ้องไปจ้องไปไอ้มันก็มีอะไรมาหลอกล่อ ก, ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะรายละเอียดมันมีนะพวกมานเนี่ยมันก็คอยขัดขวางการปฏิบัติเหมือนกันเราต้องฉลาดต่อไปอีกด้วยนะเออถ้าทำอย่างนี้แล้วมันเริ่มซึมเริ่มไม่รู้เรื่องแล้วสติหายไปแล้วตั้งใจดูดูให้กว้างขึ้นเนี่ย ท่นยิ่มาดูกายท่านาถึงออกมาดูอย่างอื่นไปแต่นี่ไปดูจิตก็คันมาดูกายเสียผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือมาดูุนอาการนั่งอาการอะไรที่มันเกิดขึ้นทางกายนั่นนี่มันมันท่านต้องรู้วิธีแก้ไขไม่ใช่ซึมก็ไปดูตามดูเวทนาแบบนั้นยิ่งซึมเข้าไปก็มีนะ มันก็ต้องฉลาดอีกอ๋อมันตามดูแล้วมันซึมมากกว่าเดิมดึงมันออกมาดูร่างกายเลยดูตัวเรามันนั่งอยู่ยังไงดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังเมื่อยังที่แยมเขามานั่งสมาธิเราเห็นเขาเริ่มเริ่มซึมซึมหลับๆับเอาแย้มดูกระดูกได้ไหมเขาบอกเขาดูไม่ได้ตอทันทีเลยนะสร็จจิตเขาเร็วเหมือนกันเนะ อืแล้วดูผมได้ไหมได้จ้าเนี่ยเอาให้ดูผมนะจ้าดูเลยแล้วก็ดูไปจนผู้ใหญ่พาเลิกเขาเลิกถามมาแย้มจิตอยู่ผมอยู่กับผมตลอดไหมตลอดเนี่ยเขาก็นั่งสมาธิจริงๆนะแล้วก็รู้สึกตื่นขึ้นมากกว่าเดิมเนี่ยนี่ก็คือว่ารู้จะแก้ไขให้จิตมันตื่นตัวมีความตั้งมัน่นถ้าดูจิตมันซึมมันหาย ก็หันมาดูกายหรือว่าดูเวทนานั่งให้มันนานขึ้นก็ได้เจ็บปวดไม่ถอยเอาเวทนามาให้มันตื่นเนี่ยมันก็จำเป็นนะบางทีเนี่ยมันต้องฉลาดต่อไว้อีกว่าเราจะทํอยังไงให้สติของเราเนี่ยมันดีมันตื่นตัวมันมีกำลังเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละแต่ไม่ใช่มีความอยากเนะอะคนละอย่างนะแก้ไขตัวเอง เพื่อให้สติมันดีเพื่อให้สติมันมีกำลังกับการที่เราอยากให้ผลเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันคนละอย่างนี่พอมันมาดูจิตอย่างนี้มันก็จะรู้ว่าเออเราทำอะไรทำยังไงแล้วบางทีบางอย่างทำแล้วมันไม่สบายใจมันมีผลต่อจิตใจมันก็ไม่อยากทำทีนี้นี่มันจะมาขัดเกลาข้างนอกด้วยข้างนอกก็เพื่อข้างในด้วย เออทำแล้วมันเบิก บ, บานมันมีความสุขความสงบความสบายใจสบายแล้วมันสงบง่ายเป็นสมาธิง่ายมันระลึกถึงความดีที่เราทําแล้วเนี่ยทําให้จิตเรามีกําลังมีความเข้มแข็งเนี่เราก็ทำถ้าไหนทําแล้วโอ้โห ท, ทําทีไรแล้วใจเนี่ยมันวูบลงไปทุกทีเลยบันทอนนี่คือเราแพ้กิเลสแล้วอาการอย่างเนี้ยแพ้กิเลส ทำให้จิตใจไม่มีกำลังบันทอนจิตใจเราก็ไม่ทำเนี่ยมันต้องนี่เนี่ยใ น, ยนยความเพียเพรเผากิเลสมันก็เป็นทางของอุตเเจ้ามันต้องเข้มแข็งด้วยต้องการให้จิตมีกำลังด้วยมันยึงต้องมาเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ่ะพุรณาการเรียกว่ารวมเข้ามารวมศูนย์ มีเป้าหมายเพื่อปฏิบัติจิตของเราเพื่อขัดเกลาจิตของเราเพื่อให้จิตนี้มีกําลังตั้งมั่นเพื่อให้มีปัญญารู้ความจริงแล้วถึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานประหานกิเลสได้หมดจดนะบานทีเขาโทรมาปรึกษาว่าเออเขาจะไปอยู่วัดจะเป็นชีดีหรือว่าเป็นโยมดีบอกให้ศึกษาดูก่อนถ้าคิดจะเข้าวัด ก็ดูว่าเออฐานะไหนที่เราอยู่แล้วมันมีความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจหลือเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาไม่ยังเป็นต้องมาเป็นนู่นเป็นนี่แต่ว่ามีความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจคือเราเอาทำเป็นตัวตั้งอย่างอื่นก็เป็นผลพลอยได้บางทีเป็นเม่เชีจะมีขีดจำกัด บางคนอยู่เป็นเม่ชีฐานะของเขาไม่สบายก็มีนะเป็นโยมสบายกว่าเอาบางคนเป็นเมชีเอ้ยมีเวลาปฏิบัติธรรมมากเป็นโยมก็เกี่ยวข้องอะไรต่ออะไรมากเนี่ยบางคนเป็นโยมก็ได้ทําความดีมากทําประโยชน์พราศาสนามากแล้วก็ได้ปฏิบัติไปด้วยมันก็มีประโยชน์เป็นเม่ชีก็มีขีดจํากัดไปทําอย่างโยมก็ไม่ได้ มันก็ขึอ้นอยู่กความเหมาะสมเราเน้นความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจเป็นแม่ชีก็ตามเป็นโยมก็ตามเป็นพระก็ตามอย่างอื่นก็เป็นไปตามสมมุติเฉยๆแต่ว่าเราเน้นตรงนี้คือปฏิปทารมไปด้วยแล้วถ้าทําประโยชน์ได้ก็ทําเพระพุทธเจ้าก็ไม่ไม่ไม่ได้ห้ามท่านก็บอกอยู่ถ้าหวาว่ามีกิจอะไรควรทําก็ให้ช่วยกันทํา ถือท่านสอนพระว่าถ้ามีกิจกรรมอะไรหมู่คณะทำอะไรก็ให้ช่วยกันทำถือเป็นจิตส่วนรวมนียโยมก็เหมือนกันมันก็ต้องมีนะจิตส่วนรวมอะไรควรทำพอทำได้ก็ช่วยกันทำหรือแบ่งหน้าที่กันทำมันก็มีความลงตัวเราก็อยู่กันได้ปฏิบัติทำกันได้ ให้ตั้งใจดูตัวเองนิดนึงนะ